หลวงพ่อหรือสีลิงดํานะคะได้กรุณาค่ะเล่าเรื่องเป็นเรื่องจริงเอามาอิงนิทานนะคะเรื่องของผีเจ้าด้วนค่ะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าต่อไปนี้ก็จะเอาเรื่องผีมาคุยให้ฟังสําหรับเรื่องผีเนี่ยรู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาคนที่เกิดมาในโลกนี้คนที่เห็นผีก็มีไม่เห็นผีก็มีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคําว่าผีก็จัดว่าเป็นอธิสมานะกายคือว่ามีร่างกายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตา เปล่าในเมื่อมีใครเห็นผีแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าบางคนหรือว่าหลายคนก็ไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อแล้วคนที่เล่าให้ฟังก็ไม่สามารถจะหยิบยกเอาอะไรมาให้ดูได้ทั้งนั้นก็เพราะว่าผีไม่ใช่วัตถุคําว่าอธิษมานกายในที่นี้ก็หมายความว่ากายที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าจะเห็นก็ได้1เมื่อผีแสดงกายให้ปรากฏคือเราต้องการจะให้เห็นจึง คือผีต้องการจะให้เห็นจึงเห็นได้หรือว่าสองในเมื่อบุคคลผู้นั้นสามารถสร้างทิพยจักคุยานให้ปรากฏจึงจะสามารถเห็นได้ฉะนั้นเรื่องผีนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เหมือนกันแล้วก็จะไปตั้งกดตั้งเกณฑ์ให้คนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อก็ไม่ได้เหมือนกันเว้นไว้แต่ท่านทั้งหลายที่ได้ประสบมาเองสาหรับผู้พูดนี้ก็เหมือนกัน ในสมัยก่อนเขาพูดถึงเรื่องผีก็สงสัยว่าเอ๊ะจะถือว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะว่าเคยกลัวผีในสมัยที่กลัวผีนั้นไม่เคยเห็นผีเลยแต่ว่ากลัวผีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาลือกันว่าผีที่นี่เนี่ยมันมีสภาพดุร้ายมีความน่ากลัวอยู่มากอาการที่แสดงออกต่างๆก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่ากลัวจังก็เลยกลัวผีกลัวทั้งทางที่ไม่เคยเห็นผีแล้วในการต่อมาก็กลายเป็นคนเห็นผีเห็นได้ในตอนไหน ความจริงตอนนั้นไม่เคยเจริญพระกรรมฐานไม่เคยได้ทิพยจกักขุญานแต่ก็พบผีผู้เป็นอาจารย์รายแรกทำให้เชื่อว่าผีมีจริงผีรายนี้ต้องเชื่อว่าเป็นรายใหญ่เลยละ่ะท่านอาจารย์ใหญ่รายนี้ก็ให้นามว่าเจ้าด้วนคือว่าเป็นผีหัวไม่มีหัวขาดคือคอเขาเนี่ยด้วนลงไป เจ้าด้วนนี้ประวัติของเขาจะเป็นมายังไงในสมัยเป็นมนุษย์ผู้พูดก็ไม่เคยทราบประวัติเหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบว่าเจ้าด้วนนี้ตายตั้งแต่เมื่อไหร่มาทราบเอาตอนสมัยที่เป็นรุ่นหนุ่มขึ้นมาจากอายุสิบหตอนนั้นอยู่ที่อําเภอตะลิ่งชันจังหวัดทนบุรีแล้วก็ตอนหนุ่มเนี่ยนะตามธรรมดาของคนที่ชอบเที่ยวสิไอการเที่ยวในการนั้นจะไปไหนใครใครก็รู้เรื่องของคนหนุ่ม แต่ความจริงจะหาว่าเป็นนักเจ้าชู้ไปเที่ยวบ้านสาวๆนี่มันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันตามปกติชอบไปเที่ยวบ้านท่านผู้ใหญ่ก็ไปหาเพื่อนคุยกันแบบสนุกๆตามประสาของคนไม่เคยติดเล่าเมายาเมื่อไปแล้วก็กลับไม่เกินเวลาเวลาที่ท่านยายกับท่านแม่สั่งต้องกลับเวลาเท่าไหร่ก็ต้องกลับเวลาเท่านั้นถ้ากลับเกินเวลาก็แสดงว่าวันนั้นถูกฟังเทศและจะต้องฟังเทศกันมหาราชคือบ่นกันเป็นการใหญ่ เกรงว่าท่านแม่ท่านยายจะเหนื่อยหรือว่ารำคาญท่านบ่นก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยไม่ยอมกลับผิดเวลาส่วนใหญ่ก็กลับก่อนเวลาเล็กน้อยตอนนี้มาว่ากันถึงว่าคุณด้วนดีกว่าหรือว่าอาจารย์ด้วนท่านอาจารย์ด้วนเนี่ยเป็นอาจารย์ที่สอนให้รู้จักผีท่านมีสำนักอยู่ที่วัดป่าช้าเรไรสำหรับวัดเรไรเนี่ยก็อยู่หน้าสถานีตำรวจตะลิ่งชันข้างมีคลองละมาศคืนนึง อาตอมาได้เดินไปที่สะพานเดินหงายเดินหงายจัดเลยพอเดินไปถึงสะพานข้ามคลองก็พบผู้ชายคนหนึ่งรู้ว่าเป็นผู้ชายเดินสวนทางมาในตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตรหรอกว่าหัวไม่มีพอถึงสะพานพอดีก็มาพบกันมองไปอีกทีอา้าวปรากฏว่าพอเจ้าประคุณทูลหัวไม่มีหัวแกก็ยืนขวางหน้าอยู่อย่างนั้นอะ่ะมายืนขวางหน้าก็มองไปมองมาว่าแกจะมีอาวุธหรือเปล่าแกก็ไม่มีอาวุธด้วย สำหรับผู้พูดเนี่ยมีปืนพกหนึ่งกระบอกกับมีดดาบอีกหนึ่งเล่มเพราะว่าตำบล น, นั้นเป็นตำบล น, นักเลงถ้าใครไม่มีอาวุธก็ถือว่าเย่อหยิ่งดีไม่ดีก็ถูกไล่ตีไล่ฟันเอาเฉยๆถ้าถือมีดถือปืนแล้วก็เขาถือว่าคนคนนี้ขี้ขาดไม่เบาเขาว่าอย่างนั้นนะก็เป็นอันว่าเมื่อเห็นแกไม่มีอาวุธก็เลยถามว่าจะไปไหน แกไม่มีปากนี่แกก็เลยไม่พูดทำตัวโครงตัวไปมาก็เลยรู้ว่าเจ้าด้วนแน่นอนเลยเพราะว่าผู้ใหญ่บอกไว้แล้วว่าเจ้าด้วนเนี่ยมันเคยแผลงฤทบอยแต่ว่าอาการแผลงฤทิของเจ้าด้วนนั้นไม่เคยทำให้ใครกลัวนอกจากว่าหนึ่งรับอาสา นำเดินไปในระหว่างป่าช้าทางนั้นผ่านไปในป่าช้าวัดเรไรเป็นสวนแล้วก็มีต้นไม้ครึ้มยอดไม้เข้าชนกันระหว่างที่เดินเข้าไปตามทางนั้นถ้าไม่มีไฟฉายก็คือมองไม่เห็นทางเมื่อทราบว่าเจ้าด้วนแน่แล้วก็เลยบอกว่าพี่ด้วนนี่ช่วยนำทางทีเถอะน้าพี่ชายนำทางไปส่งไอ้ทางที่จะไปเนี่ยมันมืดฉันมองไม่เห็นช่วยนำทางไปข้างหน้าฉันกลัวผีอื่นมันจะหลอกพี่ด้วนนาทางทีได้ไหม เขาก็พงกตัวของเขากระดึกกระดึกกระดึกเนี่ยะ ก, ก็ก้มตัวของเขานั่นแหละก็แสดงว่ายินยอมที่รับจะนำทางแล้วเขาก็หันหลังเดินไปทางวัดเรไรเดินออกหน้าผู้พูดก็เดินตามหลังพอเข้าถึงสุมทุมพุ่มไม้เวลากลางคืนเนี่ยมันก็มืดแต่ก็น่าอาัศจรรย์นะคือเมื่อเจ้าด้วนนำทางก็รู้สึกว่าเห็นรางๆคล้ายก็เดืนนอนง่ายน้อยแสงเดือนน้อยๆ น, นะ พอเห็นกันถนัดเจ้าด้วนก็นำทางไปส่งถึงปลายสวนคือหมดเขตที่มืดก็หมดเขตของป่าช้าแล้วก็สั่งเขาว่าพี่ด้วนเวลาประมาณ3ามทุ่มฉันจะกลับมาพี่ด้วนคอยรับด้วยนะถ้าพี่ด้วนมารับแล้วก็เวลาฉันกลับฉันจะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้เจ้าด้วนเนี่ยชอบก๋วยเตี๋ยวผัดหรือว่าข้าวผัด เป็นอันว่าเวลาขากลับก็พบว่าเจ้าด้วนนี่ยืนรอรับอยู่แล้วก็นำทางมาส่งถึงกลางสะพานเพราะว่าเดินงายเห็นทางไม่ถนัดก็เลยว่ า, าพี่ด้วนยืนคออยู่แถวนี้เถอะนะประเดี๋ยวฉันจะไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวผัดมาให้เพราะว่าหน้าวัดช่างเหล็กหรือว่าสถานีตำรวจตลิ่งชันมีร้านค้าอาหารเขาขายอาหารก็ไปซื้อมาแล้วก็ให้ในด้วน ก็เป็นอันว่าจะไปเที่ยวผ่านทางนี้แล้วก็คนสมัยนั้นที่เป็นหนุ่มเป็นคนแก่ประมาณปีพศ2470เสร็จๆความจริงตาด้วนเนี่ยแกมีอายุก่อนนั้นทุกคนรู้จักนายด้วนได้ดีและมาคราวหนึ่งนายด้วนเนี่ยแกแผงลิศพิเศษคือว่ามีคนหนึ่งชื่อป้าครามป้าครามเนี่ยผู้พู ด, พดเรียกแกว่าอย่างนั้นนะเคารพแกเรียกแกว่าป้าเพราะว่าเป็นรุ่นป้า แกพายก็พายเรือไปตอนเช้ามืดไปขายมะพร้าวทุกวันรับมะพร้าวจากชาวสวนแล้วก็ไปขายที่หน้าวัดช่างเหล็กหรือว่าหน้าวัดเรไรเพราะว่าบรรดาเรือค้ามารอซื้อกันที่นั่นเช้ามืดวันหนึง่งเมื่อแกผ่านหน้าวัดเรไรหรือว่าปากคลองบางละมา่าตจะออกไปาวัดเรไรจะออกคลองอีกคลองหนึ่งเขาเรียกว่าคลองชักพระพอผ่านสะพานไปก็ปรากฏว่าเรือแกเนี่ยวิ่งถอยหลัง แกก็หันหน้าหันหลังมาดูอา้าวพบเจ้าด้วนนั่งอยู่ข้างตะลิ่งมันทํามือยาวๆมันดึงท้ายเรือแกพอเรือมาถึงตะลิ่งมันก็ปล่อยแกก็พายเรือออกไปพอถึงกลางคลองเจ้าด้วนมันก็ดึงกลับมาอีกแกก็ร้องเอะอะโวยวายบอกเจ้าด้วนเองจะมาแกล้งข้าทําไมเองนะ่ะดีแต่มาแกล้งข้าประเดี๋ยวข้าจะไปขายของไม่ทันแล้วก็ของมันจะเสียนะ่ะข้าจะขาดทุนเอาอย่างนี้ เองอย่ามัวนั่งแกล้งค่าเลยเองช่วยค่าขายนะเวลาขายของนะ่ะถ้าหากว่าเองช่วยค่าขายหมดแล้วขายได้รวดเร็วพอไปถึงแล้วประเดี๋ยวขายได้หมดลำได้กำไรดีแล้วก็ข้าจะซื้อข้าวผัดมาให้เพราะว่าเองชอบข้าวผัดใช่ไมล่ะเจ้าด้วนก็กระดกตัวค่ะกระดิ๊กกรด๊กดกไม่ใช่พยักหน้านะเป็นการกระดกตัวกรดิ๊กดกเพราะว่าไม่มีหัวไงแล้วก็ปล่อยไป แล้วก็ปรากฏว่ารูปร่างของเจ้าด้วนหายไปกับตาแกก็พายเรือออกไปจอดอยู่คลองชักพระหน้าวัดช่างเหล็กถึงเวลาเช้าก็พอดีเรือซื้อของเข้ามามีเรือขายมะพร้าวหลายสิบลำนี่นํามะพร้าวออกไปจากสวนแต่ว่าเรือที่ซื้อมะพร้าวทุกลำมีความต้องการเรือลํานี้มากมาถึงก็ตรงรีเข้ามาให้ราคาสูงเป็นอันว่าป้าครามก็ขายมะพร้าวได้เกลี้ยงรวดเร็วในเวลาอันสั้น แล้วก็ขายหมดเป็นรายแรกแต่เช้าตรู่ตามปกติแกต้องขายถึงเวลาประมาณ10โมงหรือ11บโมงถึงจะหมดแล้วก็ต้องพูดกันมากการค้ามะพร้าววันนั้นไม่ได้พูดราคากันเลยหมายความว่าเจ้าของมะพร้าวไม่ต้องมีราคาเมื่อเรือต้องการซื้อมาจอดเข้ามันก็บอกราคาเลยว่าเท่านั้นเท่านี้ร้อยละเท่านั้นเท่านี้ซึ่งมันก็เป็นราคาที่แพงกว่าปกตินะ ป้าคลามก็ยอมขายเมื่อข า, ขายของหมดก็คิดว่านี่คงเป็นอนุภาพของเจ้าด้วนแน่นอนก็เลยได้แวะซื้อข้าวผัดมาพอถึงหน้าวัดเรไรก็ไปวางไว้ที่ตอไม้ต้นมะม่วงก็คือตอมะม่วงเขาถูกฟันตัดลงมาเหลือตอประมาณ1เมตรเขาก็ไปวางไว้ที่นั่นแล้วก็เรียกเจ้าด้วนมาบอกว่าด้วนเอ้ยมากินข้าวผัดนะลูกนะแล้วพรุ่งนี้ช่วยกันขายใหม่นะถ้าเองช่วยค่าขายทุกวันค่าจะเลี้ยงทุกวัน นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าปลาครามนี่อข า, ข, าขายดิบขายดีขายมะพร้าวหมดก่อนเจ้าอื่นทุกวันแล้วก็ต้องซื้อข้าวผัดมาให้เจ้าด้วนกินทุกวันเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องตอนหนึ่งของอนุภาพเจ้าด้วนแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเพื่อนของอหลวงปู่ฤศีลิงดําผู้ที่เป็นเรื่องอเล่าเรื่องนี้นะคะท่านบอกว่าเพื่อนของผู้พูดนี่เอง่ายเรือไปหน้าวัดเรไรผ่านสํานักงานเจ้าด้วน เจ้าด้วนนี่แกก็ดึงเรือกลับกลางคืนเหมือนกันรายนั้นเมื่อเห็นเจ้าด้วนดึงเรือกลับมาถึงตะลิ่งเขาก็ปล่อยมือก็ดันเรือออกมาพายดูอีกเจ้าด้วนก็ดึงกลับเข้าไปอีกพอเจ้าประคุณคนคนนี้นี่ขี้โมโหก็เลยเอามีดฟันปั๊บลงไปให้บอกเ อ, าอ้าไอ้ด้วนแขนขาดละมึงเท่านั้นแหละพอพายต่อไปพอเจ้าประคุณด้วนก็เดินเลาะตะลิ่งไปร้องตะโกนว่าต่อทีต่อทีแกฟันแขนข้าขาด แขนขาารุ่งริ่งแล้วต่อให้ทีเหอะข้าไม่มีแขนข้าจะทำยังไงมันก็เดินตามไปเจ้านั่นก็อดราคาญไม่ไหวก็เลยแวะเข้าไปที่ตะลิงเอาย่ามาผูกติดกันเข้าบอกเอา้าเจ้าด้วนข้าต่อแขนให้เองละแขนขาดอีกข้างก็แย่นะสิก็เป็นอันว่าเจ้าด้วนก็ไม่รบกวนเขาละคราวนี้ แต่ว่าเรื่องราวของเจด้วนนี่มีมากมายท่านผู้ฟังนามาเล่าให้ฟังเพียงแค่นี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องผีอาจารย์สำหรับผู้พูดเนะ่ะเรียกว่าอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ด้วนได้สอนให้ผู้พูดรู้จักผีเป็นรายแรกและก็เป็นผีที่ใจดีด้วยนะแทนที่จะเป็นผีดุร้ายน่ากลัวมีลีลาหลอกหลอนให้กลัวด้วยอาการต่างๆเปล่าไม่มีไม่มีใครไม่มีใครกลัวเจด้วนเลย มาพบกับคุณด้วนแล้วต่างคนต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผีมีคุณคุณด้วนเนี่ยเป็นผีที่ดีจริงๆเป็นอันว่าเรื่องผีผู้พูดเชื่อตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะแต่ว่าสําหรับท่านผู้ฟงังหรือว่าท่านผู้อ่านหนังสือจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจเถอะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพบได้ด้วยตนเองก็เป็นการเชื่อยากเหลือเกินการเชื่อโดยเขาพูดแต่ยังไม่พบพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเป็นอธิมโมกขสัตธาน้อมใจเชื่อ ดีเหมือนกันว่าดีน้อยไปตานี้เรื่องผีจะพบจะเห็นได้ก็แสนยากถ้าผีเขาไม่ต้องการให้เห็นบางรายคนรักตายไปจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือสามีบุตรที่ดาก็ตามอยากจะเห็นอยากจะพบว่าคนตายตายแล้วมีความสุขหรือความทุกข์ แต่เ้ว่าถ้ามาพบผีเข้าจริงๆเนี่ยก็เกิดความกลัวนี่ก่อนหน้าที่จะมาพูดให้ฟังนี่ก็เหมือนกันระยะการไม่นานมีคณะนายทหาร2คนเรียกกันว่าคณะนะสองคนเท่านั้นพร้อมด้วยเพื่อนที่เป็นพลเรือนอีกคนนั่งรถไปทางจังหวัดนครสวรรค์เพราะว่าจะไปกินเลี้ยงกันก็มียรถอีกคันหนึ่ ง, งมีคนนั่งมาเห็นจะ7คนนี่แหละรวมกันก็ประมาณ7จคนก็ประมาณ9คนกหคน 6คนสิรถคันนี้รู้สึกว่าเมาทั้งคันคือรถเมาเพราะอะไรเพราะว่าคนนั่งมามันเมาวิ่งสายไปสายมาตลอดทางพอมาถึงรถของคณะนายทหาร3คนคือว่าพลเรือเรือนหนึ่งคนนายทหารสองคนพอดียางแตกรถถลาเข้าชนรถทหารเป็นอันว่ารถที่นายทหารนั่งไปรวมด้วยกัน3มคนฝ่ายพลเรือเรือนคนนั้นอีกหคนตายกันหมดพร้อมกันเรียกว่าตายด้วยกัน ทั้งหมดไม่มีใครเหลือเมื่อสามีตายหรือว่าพ่อตายบรรดาภรรยาและลูกก็มาหาผู้พูดบอกว่าคิดถึงเขาอยากจะเห็นอยากจะรู้ว่าเขามีความสุขหรือความทุกข์แต่ว่าเวลาที่คิดถึงก็ปรากฏว่าบางครั้งก็ได้กลิ่นคือว่ากลิ่นตัวนะไม่ใช่กลิ่นสังของคนที่ตายปรากฏขึ้นแล้วบางครั้งก็ฝันเห็นแล้วแกก็ว่ายังไงทั้งๆ ท, ที่แกอยากเห็นเขาแกบอกว่าเกิดความกลัว มารายงานบอกว่ากรุณาติดต่อกับเขาทีเถอะว่าอยากให้เห็นอีกเลยถ้ามาก็มาเ ง, งียบๆอยาให้พบเลยเพราะกลัวนี่เรื่องของคนนะมันเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังอยากจะรู้ว่าคนตายไปไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์เวลาไม่เห็นก็บนบนบ น, บนว่าไม่มาหาแต่พอมาหาให้พบเข้าก็เกิดความกลัวเป็นเรื่องของคนที่สามารถจะพบได้เพราะผีแสดงให้พบแต่ถ้าเรื่องนี้ผู้พูดไม่กะเกณให้ทุกคนเห็น อาเห็นผีรู้ผีได้นอกจากว่าท่านผู้รับฟังหรือว่าท่านที่ต้องการจะเห็นถ้าเจริญพระกรรมฐานเข้าถึงอุปจารยานแล้วก็ฝึกอุปจารยานสมาธินั้นให้เป็นทิพยจักขุยานเท่านี้แหละถ้าหากว่าท่านต้องการจะเห็นผีได้เมื่อไหร่ก็คงจะเห็นได้สมปรารถนาเอาละสำหรับเรื่องผีเจ้าด้วนก็มีเพียงเท่านี้จะมีเรื่องอะไรต่อไปขอดูต้นตำรับก่อนนะ เป็นเรื่องเล่าจากหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเอกสารอ้างอิงค่ะหนังสือเรื่องจริงอิงนิทานเล่มหนึ่งหน้า 1-6 โดยหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดจันทารามท่าสุงตำบล น, น้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีลิขสิทธิ์โดยพลเอก หม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์นะคะก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเล่าเรื่องผีแต่ว่าเอาไปอิงนิยายอิงนิทานให้กับญาติโยมได้ฟังกันบีกเองก็ขออนุญาตนําเรื่องนี้มาเล่าโดยที่ไม่ได้เสริมไม่ได้เติมแต่งอ่านจากคาพูดของหลวงพ่อพระราชพรหมยานหมดทุกประโยคเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะในเรื่องของผีเจ้าด้วนหรือว่าผีคุณด้วนค่ะฟังไปฟังมาเอ๊ะผีเจ้าด้วนก็ เป็นผีที่ใจดีเหมือนกันนะเออนะแต่ว่าก็ยังคิดอยู่ว่าเ อ, อ๊ะถ้าสมมุติว่าเจอเข้าจังๆกับผีเจ้าด้วนมากระดกตัวกะดิก๊กกระดิ ก, กดิก๊กกกอยงี้ไม่รู้ว่าจะน่ารักหรือว่าจะน่ากลัวดีอันดับแรกเลยคงจะต้องทําใจให้ใ ห, ให้ให้กล้าก่อนแหละนะคะก่อนที่จะทําใจให้ชินนะคะคงจะต้องจับไข้หัวโกรนกันหลายเดือนพอสมควรหมดเวลาแล้วละค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ